จะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอหันตทนกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยูงตีกันใจายมายงชกกันยุ่งยนั่นไม่มีงยุ่งเวลายุ่งเหมือนยงตีกันยุงชกกันจิตของท่านบริสุทธ าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนี่ที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนี่มีเพียงเรื่องข้อเทียบเทียมแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำพบไม่ใช่ด้านวันตถุแต่ก่อนเ็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราเนี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุงชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลา มันมีกรรมการจะมาตัดสินถ้ามีกรรมการใดจะมาแ ย, ยกออกทันกันตรงนั้นอ่ะตลอดเวลากรรมการก็ขึ้นเวทีก็ายัางมีนอกมกกือเขาคือเ่วกันบนเวทีก็าย ม, มีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิตสภายิ่งเรานี่มัน ไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสาพายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มลุกคู่ันก็อยู่บนเวทีกนะันหมดไม่ทราบใครจะแยกใครวเวลาจะมีผูไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทําไมจึงมีผู้จะไปแยอกออกเขาไมอยากให้แยก พอธรรมดาอมวยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ลึศธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังหนึ่งคือไม่อยากแยกคนอย่างไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลอะไอย่างงั้นทั้งวันทั้งคืน รับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาน้ำตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบผัดเที่ยบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีทั่วผลเป็นมายัาง ไ, ไงไงมั่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจาก คุณมุดกับความดุ่งของตัวเองความเดือดร้อนรุดนบานตัวเองเพ่งเกิดอู่ทานในใจโดยเฉพาะเฉพาะเงื่อไม่ชอบไม่ใครยุ่งไม่ชอบไม่ใครไปรแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกพระร ห, รหรันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยกลด้วยอัจ ด, ด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมาจิต สภาพยุ่งนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นถึงหาความสุดไม่เจอเพราะมันยุ่งกันอยู่กาบใดความสุดก็มีทางที่จะเกิดเป็นอีกาบนั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามนั่นก็เป็นสภาพที่มเคยเป็น กิ่งกันดยต่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทำให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมีเหตุผลกครืองเครื่องทดสอบกันพอที่แยกจะแย่พอที่จะฝืนกันมั่งถ้าพูด้วยสนการในอนัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนจากพวกเราทั้งหลายก็า้อปฏิบัติคันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการพิภัตดตัดแจงคือการฝลุกธรรมานจิตใจในีกดขี่บังคับผิดแม่มันเปลี่ยนที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากเราเรียกว่างานอันนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระเบนอย่างไรเราก็ทํานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายัางไงก็ต้องพยายามทำนั้นแม้จะยากลาบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้จะเชื่อทํา ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั่นแหละมันพาลงเหว ล, ลงบ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจี่มีความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความลุกความสบายมีมากอย่างไรก็มาก ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นๆๆวายต่อกันมากเดี๋นั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากตบบที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉลาดเพื่อการตบเครื่องทุกฉลาดในการเห็นอกเห็นใจกันเพื่อเพียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นแต่มีมากเท่าไร่ ก, ก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง การเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากสะเหนคุณค่างตัวเองเท่านั้น ท, ท, ทั้งๆจะอาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือด้อนอยู่ทุกัน <c oughs> หรือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเห็นนี้เองอเรวมแล้วก็เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นใดข้าผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกทีนี้าเป็นมวยก็แยกและทีสมมุติว่าเป็นสะพายอย่นเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราแต่เพราะอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่ง น, นั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาอยากในทางชีผิดอยากอย่างไรก็มากอย่างไรก็ยิ่งเป็นกา ร, รเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล ควรจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควจะรับทานยาควรรับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปราจิตใจของเร า, มาไม่ประยุกจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนี้หนึ่งขึ้นมาภาราจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกขะเป็นทุกข์หนัก ทุกทางใจนี้เกิดเพราะหน้าของกิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของาธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะหน้าของกิเลสทั้งนั้นเหาผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขไปตามนรื่องแต่ให้ทราบว่า น, นั่นคือคือเป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเราี่มีความแยกกันจะเป็นขึ้นบ้างน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแก้ไขกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามมาสาใจอยาให้คาเลิกไปยึดไปถือไปวุ่นวายเขาเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วพอทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุ น, นั่นแหละแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งนหนัก ผูพ้พฏิบัติธรรมะีค่าควรอย่างนี้ไม่เหมือน ท, ทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมมีทางหลีดมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทุกพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบบมันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้ สอนทำท่านสอนโดยถูกต้องทูปฏิบัติทำจริงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวกเรื่องกันอยู่กับกายของเราตลอดเวลานี่แหละต่ปฏิบัติที่ไหนเนีปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับคลายสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับกระหวงขันทับิดซึ่งติดแน่เดยกับเรา เมื่ถือคำว่าสิ่งเหลนี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกทางธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจนเมื่อ เ, เราได้เข้าใจในอัดในทาําแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามศาสตร์ตามส่วนที่มันเป็นเพิ่งมากน้อยเนี้ยมันปกติไม่เจี่ยไข้ได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวล า, าแสดงความแปรเปลว่นขึ้นมา ลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันมันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคคนิกนั้นเนี่ยยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกถึงตัวเองนี่มาเกียวแทรกเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรค ภ, ภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองนิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่ความตานั้นมองให้ถากให้ขันประสิทธิเรื่องความเป็นดุของขันก็มองให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นดุเพื่อจะไปมีความแปลสภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ถ้มีว่ากลางวันกลางคืนเดูนเดยนนั่งนอนแต่อย่างนั้นผมเมื่อแกไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเราทราบไหมทุกยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงาน<ม>กรรมะแมลย ว, ว่าการกระทธรมฐานะคือที่นี่ทำงานในทานกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ค่ารู้พิเดชคัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานเสนอเสียสารุมาะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ ผมนั่นก็ว่าเป็นตนเสียอันเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนมาทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนผนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นต้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระโปรสมอขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นต้นเลยเสียเพราะว้าตนของเราจริงเป็นไปด้วยสิ่งกระโปรงสมอเมื่อสิ่งกระโปรสมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายนจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่ตกคบตกสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองคุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศั ย, ายการชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเียมีเยอะกว่าเรียน เรียกวาผู้เรียกว่าชำนะตัวเองแย่าสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยูตามสภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเราพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้โดยสมอำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประกันอย่างคือมีความเย็นมีความสบายไม่คุ้มเพ้อเหื่อเหมไม่ดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจ า, า, ารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเนะ เราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทําไมไม่ว่าอุปชาในก็าตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงไรก็าตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักฐายตัวของพระพุทธเจ้าที่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเนรต้องสอนกรรมฐานห้ให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เตซาลูมานาคาตันตาตะโจตะโจตันตานาคาลูมาเตซาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำนีทํานานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลำดับ อ, อุปชาใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมาฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนพิเรนตัญหาสารอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนิทหนาตระจกปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนี้ก็อควาเป็นต้นาการสวรากาทั้งหมดรวมอยู่ใน น, นี้่านนีงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้องทำหนกทำนายเพราะเป็นสภาพเหมือนเหมือนกันกลัวผีกลัวปิดจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยสายช่างอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันมันตุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซ่ากี่ศ สัตว์สี่ประเภทมันก็บันจุวะในป่าช้าผีติดตรง น, นี้รู้พี่อันนี้เราจะไปตื่นเต้นหลงไหลไปอะไรกับป่าช้าที่ไหนอีกฮึออันนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรนั่งแล้วก็ดูสิครัวไปแล้วเราไม่เห็นกลัวผีภายนอกตัวซ่า ก, ากบซ่าเกล็ดซ่าปูซ่าปลาอะไรมันเต็อมไปในครัวของเห็นเป็ไเ ด, เปดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเสียไปต่างๆที่ให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองนึงกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลาบนเมื่อเราพ่ยังนาเห็นตามความจริงนี่แล้วมันก็ไม่กลัวอือคุณได้คติอันดีด้วยพิจารเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอะไรนี้ป่าช้าพิจนาจนเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจานาแล้วพิจรณาเล่ามันจะเกิดความพ้นนิจทานาเกิดความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นมาโดยลําดับลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคําว่าอุปทานคือจิตไปแกวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอํานาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเสื่อมอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันขีดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องอาศัยพุ่งติ่งกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภาจในยจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐ า, านา น, นสอนอย่าง น, นี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากายังไงจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปดยลำดับทะลุอุป่วคไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองอาจก้าหารอนทานจิตใจเรลำสทานานจริงๆนีตามความจริงร่างกายของเราเนี่พอกาหนดตาปั้นนั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด มันอาจจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือมาจจะร่างอันไหนเมื่อการพิจารณาของเรามีความสนิทสนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหลือได้อย่างใจมองเห็สัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะ ม, มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นหละมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละพระจักภารกิจใจพอกำหนดปั๊บ อย่นี้มันจะวิ่งเขาถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทำงานแล้วเขียนหนังสือทีละเขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเราเพิ่งหัดนอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนนัง่งไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาเขาเริ่มเป็นตุลเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยำลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความํานาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตาสถิติกันที่ตรงนี้เท่านั้นทํานานขนาดไหนก็ตามการอ่านหังถือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นเกีกับการเขียนการพิจารณาทั้งด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่งางๆนี่ท่านเรียกว่ากรรมาฐานงานรู้โลกรู้ตรงสาร ร, รู้พบรค้พลาดรู้กิเลสทันหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานมีกรรมาฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญป้องกันกิเลสทันหานิสระความนิดมั่นถือมั่นสําคัญมาสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรวาเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายจะเป็นผู้ปลอมที่เดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับลำดัอืม แล้วก่อเย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก่อนเย็นปัญญาผิดขึ้นประวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกเลื่อนกายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่านั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันอืคิดเออจนร้อนเป็นฟืนมันไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันแต่เราพลิกขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กลาปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมกูกลิ้นกายหรือตุมขึ้นภายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าตุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ตุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ทันและพิมากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารนามาเป็นสติปัญญาที่เรียงไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารฝ่ายที่เหลรมันเก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพกเป็นชาติออกแม่แค่นุกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ตั้งบาง้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายใจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาเราเยนอัดเดย็นทาปฏิบัติทาแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพทเหล็กันว่าลูกฝ่ายล้านใว่าปูยา่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพชาติขอหมดไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเมื่อที่เด็ดตัวก่อเหตุให้เกิด ค, ความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เด็ดสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขพร้อมที่เด็ดมาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกมาให้เราีี่มพอค่าที่เด็ดลงไปจนกระทั่งที่เด็ดตายหมดแล้ว ความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านจะบอกปรามังสุขขังอืออะไรจะปรามังสุ ข, ขังก็คือจิตเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุด ข, ของตนเราะไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจาก สิ่งกดท่วงนึกปกปิดกำลังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเป็มตัวภายในตัวเองนะธรรมโมปดีโปะหมายเป็นอะไรเป็นธรร ม, มถามรรม่าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวตทิฏประเภทนี้แหละ ท, ที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ํากนหนึ่งใสสะอาดลดถาก้อน กลมกลมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติหมดทางต้องติมันเเป็นสภพายุงอีกเนี่ลายมันออกสภพายุงภายในจิตใจอันน้นเป็นน้ำนิ่งสงรู้อยู่จางนั้นไหนก็รู้ ไหนก็สว่างสมัยเนี่ยที่เคยพูดเราข่าว่าเป็นด้านวัถถุแล้วโยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกฐานนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่ากราบว่าอย่างสนิทเพราะตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพ แสดงความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเพทําแสดงกังวานออกมาด้วยออว่ายัางไงแล้วขายซึ่งต้องการความสุขความจเจริญต้องการของดีพิเศษที่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะจริงต้องกำดํากำขาวไปเช่นเดียวกับเจ้ากับท่านทั่วโลกตัวสงสารแต่ตําหนีก็ตําหนีไม่ลงใครต้องการความถูกความวิเศษวิโสด้วยกันแต้มเมื่อที่สายไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเจนเป็นธรรมดาเนี <S <S 2> <S 2> ่ยเมื่อเราปฏิบัติพอไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ ประกาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็แสดงกับตัวตลอดเวลาอาการรีโก้เนี่ยทันว่าทำแพ้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่กำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องโภพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทำให้มัวหมองไปนัพยายามแก้ไขมพยายามปัดเป่าแยกแยะ ก, กันด้วยสติปัญญา นี่แหะธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลองทั้งหายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจ มนุษยุกพังขมาธรรมามนุษย์เสถามนุษย์มายาใจเป็นใหญ่ใจจิตเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจลงที่นี่ทำก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคำที่จะพูดต่อต่อไปนิมิติปัญหาทั้งหมดที่ใจ วันนี้แสดงเป็นตอนนี้พอสมควร